สพลยานยานที่สี่นานาทาตุยานปริชากำหนดรู้ธาตุต่างๆยานข้อนี้หมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้เรื่องธาตุต่างๆซึ่งในคำผีได้อธิบายไว้ว่าพระองค์ทรงรู้แจ้งว่าขันอายตนะเป็นต้นประกอบขึ้นด้วยธาตุอย่างไรบ้างเช่นทรงรู้แจ้งว่า ร่างกายประกอบขึ้นมาจากธาตุทั้งสี่อายตนะทั้งหลายคือจากสุตาโสตหูคานะจมูกชิวหาลิ้นกายอัทยวัตถุที่ตั้งแห่งใจรูปเสียงกลิ่นรสผลธพะสิ่งต้องกายธรรมอารมณ์อารมณ์ที่เกิดกับใจประกอบขึ้นมาจากธาตุอะไร หรือพูดอีกในายาหนึ่งพระองค์ทรงรู้แจ้งว่าตัวเราประกอบขึ้นด้วยาธาตุทั้งหกคือปัตวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุอากาศธาตุและวิญญาณธาตุและนอกจากนี้พระองค์ยังทรงรู้แจ้งถึงเรื่องสังคตาธาตุและอสังคตาธาตุทั้งหมดจากคำอธิบายในคำภีซึ่งเป็นการอธิบายอย่างสั้นที่สุด แต่ก็ทำให้เรารู้ความหมายได้อย่างลึกซึ้งว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งในเรื่องธาตุต่างๆทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมทั้งที่เป็นสังคตะธรรมคือสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งหมายถึงขันธ์ห้าทั้งหมดและที่เป็นอสังกตตาธรรมคือสิ่งที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งหมายถึงนิพพานจากคำอธิบายในคำภีซึ่งเป็นการอธิบายอย่างสั้นที่สุด แต่ก็ทำให้เรารู้ความหมายได้อย่างลึกซึ้งว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งในเรื่องธาตุต่างทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมทั้งที่เป็นสังคตธรรมและสังคตธรรมนี้ก็มีความหมายเท่ากับพระพุทธองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์มานานแล้วและอีกในยะหนึ่งการที่พระองค์ทรงเรียกสิ่งต่างๆว่าเป็นธาตุนั้นย่อมหมายถึงว่าพระองค์ทรงปฏิเสธในเรื่องพระผู้เป็นเจ้า ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ดารงอยู่ตลอดการเป็นสิ่งที่มีมาก่อนสิ่งทั้งปวงและจะยังทรงมีอยู่ต่อไปอีกชัว่วนิรันดรและทรงปฏิเสธว่าพระผู้เป็นเจ้าซึ่งมีลักษณะดังที่กล่าวมานี้เป็นผู้สร้างโลกและสิ่งทั้งปวงในโลกและจากการที่เราได้ศึกษาให้เข้าใจในเรื่องปฏิจจสมุปบาทอย่างละเอียดเราก็จะพบว่า พระพุทธเจ้าทรงถือว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีเหตุและเหตุแต่ละอย่างก็มีเหตุของมันต่อๆไปอีกไม่มีคำว่าต้นเหตุหรือปลายเหตุเพราะสิ่งทั้งปวงต่างก็เป็นเหตุของกันและกันและสัมพันธ์กันเป็นลูกโซ่เพราะฉะนั้นพระผู้เป็นเจ้าจึงมีไม่ได้ผู้ที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เมื่อมาศึกษาเรื่องธาตุในทางพุทธศาสนาแล้วก็มักจะรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้เรื่องธาตุน้อยเหลือเกินไม่สมกับที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสัพพัญยูความรู้ในเรื่องธาตุทางพระพุทธศาสนาเอามาใช้ในทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้เพราะไม่มีรายละเอียดอะไรเลยและมักจะถือว่านักวิทยาศาสตร์ในยุค ป, ปัจจุบันรู้เรื่องธาตุดีกว่าพระพุทธเจ้ามากมาย ความรู้สึกของนักวิทยาศาสตร์ในลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นก็เพราะไม่เข้าใจความมุ่งหมายของพุทธศาสนาว่าการที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องธาตุมีความประสงค์อย่างไรเพราะฉะนั้นเพื่อความเข้าใจอันดีท้าพระเจ้าจะขอชี้แจงให้ทราบเสียก่อนว่าพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์ที่จะให้คนทั้งหลายมาติดในเรื่องวัตถุหรือเห็นว่าวัตถุเป็นเรื่องสาคัญยิ่งกว่าจิตใจ เพราะฉะนั้นจึงไม่ทรงสอนเรื่องนี้อย่างพิสดารและอีกประการหนึ่งความรู้ในด้านวัตถุนั้นคนในทางโลกสามารถศึกษาค้นคว้ากันเองได้ส่วนความรู้ในด้านนามธรรมซึ่งเป็นรากฐานของวัตถุถ้าหากไม่ได้อาศัยพระองค์แล้วโลกจะไม่มีทางรู้ถึงเรื่องนี้ได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้น ตลอดระยะเวลา45พันษาที่พระองค์ทรงประกาศศาสนาจึงมีแต่เรื่องศีลธรรมเรื่องนามธรรมเป็นส่วนใหญ่อย่าลืมว่าทางพุทธศาสนาถือว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดจากใจเพราะฉะนั้นในเมื่อศึกษาเรื่องจิตใจให้รู้แจ้งตามความเป็นจริงแล้วการศึกษาเรื่องวัตถุก็สามารถจะศึกษาได้โดยไม่ยาก แต่ยังไรก็ดีสำหรับในยุคปัจจุบันนี้ผู้ที่ทำการสอนศาสนาจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้วิทยาศาสตร์เหมือนอย่างพระพุทธองค์ทรงรู้แจ้งในเรื่องธาตุต่างๆจึงจะสามารถสอนศาสนาได้ผลเราจะถือว่าเมื่อศึกษาเรื่องธรรมะรู้ดีแล้วเรื่องวัตถุไม่จำเป็นต้องเรียนก็ได้ถ้าคนไหนคิดอย่างนี้ก็นับว่าผิดมาก ข้าพเจ้าใครที่จะชี้แจงให้ทราบอีกสักเล็กน้อยว่าวิธีศึกษาที่จะให้ได้มาซึ่งความรู้อันถูกต้องตามความเป็นจริงนั้นเราจะต้องมีสมาธิสูงมากเพราะจากความสามารถในเรื่องสมาธินี้จะช่วยให้เราสามารถศึกษาหาความรู้จากจิตใจส่วนลึกของตัวเองได้อย่าลืมว่าจิตใจส่วนลึกที่เรียกว่าจิตไร้สานึกหรือผวังขจิตนั้น คือแหล่งที่ให้ความรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะจิตใจส่วนนี้คือตัวการโดยตรงที่สร้างร่างกายขึ้นมาเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่สามารถสร้างร่างกายขึ้นมาได้เหมือนกับร่างกายตามธรรมชาติเช่นนี้ก็ต้องนับว่าผู้นั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดท่านไม่คิดบ้างหรือว่าจิตใจส่วนลึกของแต่ละคนนั้น เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วเราทุกคนได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ก้นมาแล้วตั้งแต่เกิดซึ่งผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์ในเรื่องนี้ก็คือร่างกายของแต่ละคนนั่นเองถ้าท่านเข้าใจหลักอันนี้ดีท่านก็จะไม่ปฏิเสธว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งเรื่องธาตุต่างๆอย่างแน่นอนเพราะพระพุทธเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยตัวเองนั้น เป็นเพราะพระองค์สามารถแสวงหาความรู้จากภายในจิตใจของพระองค์ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นอันหมดปัญหาที่บางคนรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าคงจะไม่รู้จักธาตุต่างๆเหมือนอย่างที่นักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันรู้เพราะถ้ารู้ก็คงจะมีตำราทางวิทยาศาสตร์ของพระพุทธศาสนาเหลืออยู่บ้างเป็นแน่ ข้าพเจ้าขอชี้แจงให้ทราบอีกเล็กน้อยว่าจิตใจส่วนลึกนั้นโดยกําเนิดเป็นผู้ที่รู้แจ้งสิ่งต่างๆมากมายแต่การที่จะเอาความรู้จากจิตใจส่วนลึกออกมาพูดอธิบายให้คนอื่นฟังเข้าใจด้วยนั้นจําเป็นจะต้องมีสื่อในการถ่ายทอดความรู้จากภายในเหมือนอย่างผู้ที่ได้รับความรู้จากตําราภาษาอังกฤษนั้นจําเป็นจะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษด้วยไม่เช่นนั้น ก็จะอ่านตำราภาษาอังกฤษไม่ได้ในสมัยครั้งพุทธกาลความรู้ทางวิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญเหมือนอย่างในปัจจุบันเพราะฉะนั้นจึงไม่มีอะไรที่จะไปกระตุ้นเตือนให้พระองค์ทรงถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ออกมาเหมือนอย่างในปัจจุบันคนที่จะถามปัญหาทางวิทยาศาสตร์เหมือนอย่างคนในยุคปัจจุบันนี้ก็ไม่มี พระองค์ทรงสอนศาสนาก็มุ่งแต่จะให้คนทั้งหลายพ้นจากความทุกข์ซึ่งงานในด้านนี้ก็ได้ประสบผลสำเร็จอย่างงดงามมาแล้วและคนที่พ้นทุกข์เพราะรู้แจ้งในธรรมและปฏิบัติตามธรรมจนพ้นทุกข์นั้นมีมากมายนักวิทยาศาสตร์ในยุค ป, ปัจจุบันนี้เสอีกเขาสามารถทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นเป็นอันมากทาให้คนทั้งหลายได้รับความสะดวกสบาย เนเรื่องความเป็นอยู่เป็นอันมากแต่แล้วเราก็เห็นได้ชัดว่านักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายไม่อาจจะช่วยแม้กระทั่งตนเองให้พ้นจากความทุกข์ได้จริงๆขอได้โปรดสังเกตให้ดีว่าการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนศาสนาได้ผลก็เพราะมีความรอบรู้ในเรื่องธาตุต่างๆความรู้ในเรื่องธาตุ ก็คือการรู้ถึงแก่นหรือเนื้อแท้ของสิ่งทั้งปวงถ้าท่านคิดได้อย่างนี้ท่านก็จะได้หลักในการสอนศาสนาว่าคนที่จะสอนศาสนาให้ได้ผลจริงๆนั้นควรจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยไม่เช่นนั้นการสอนศาสนาจะไม่ลึกซึ้งจะไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและถ้าเราสังเกตดูการเผยแพร่ศาสนาในยุคที่ผ่านมา หรือแม้ในปัจจุบันนี้เองเราก็จะพบความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าผู้ที่ทำการเผยแพร่ศาสนาส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ในทางวิทยาศาสตร์อย่างเพียงพอเพราะเหตุนี้การเผยแพร่ศาสนาที่จะให้พวกชั้นปัญญาชนเกิดความเชื่อและความเลื่อมใสนั้นจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากมากและอีกประการหนึ่ง การสอนศาสนาที่จะให้ได้ผลจริงๆนั้นเราจะต้องทราบแนวความคิดของผู้ที่เราจะสอนอย่างละเอียดถี่ถ้วนเขารู้อะไรเราก็ควรจะรู้สิ่งนั้นด้วยจึงจะสามารถติดตามความคิดของเขาทันและสามารถที่จะสอนโดยอาศัยการเปรียบเทียบซึ่งทำให้เสียเวลาน้อยแต่ก็ทำให้คนฟังเข้าใจได้ดีมาก พร้อมทั้งจะรู้จักจุดที่ควรจะพูดและไม่ควรจะพูดจุดที่เขาจะเชื่อและไม่เชื่อซึ่งหลักอันนี้ได้เคยอธิบายมาแล้วในหัวข้อเรื่องฐานาฐานายานันหมายเหตุผู้อ่านคำว่าธาตุในทางพุทธศาสนานั้น หมายถึงสิ่งที่ทรงสภาวะของมันอยู่เองตามธรรมดาของเหตุปัจจัยซึ่งแตกต่างจากคำว่าธาตุในความหมายทางวิทยาศาสตร์นะครับธาตุสี่คือปัทวีธาตุสภาวะที่แผ่ไปหรือกินเนื้อที่เรียกสามัญว่าธาตุแข็งหรือธาตุดินอาโปธาตุสภาวะที่เอิบอาบดูซึม เรียกสามัญว่าธาตุเหลวหรือธาตุน้ำเตโชธาตสภาวะที่ทำให้ร้อนเรียกสามัญว่าธาตุไฟวายโยธาตสภาวะที่ทำให้เคลื่อนไหวเรียกสามัญว่าธาตุลมและในหมวดธาตุหกเพิ่มมาอีกสอง อากาศธาตุสภาวะที่ว่างหรือช่องว่างคือสเปสและวิญญาณธาตุคือสภาวะที่รู้แจ้งอารมณ์หรือธาตุรู้ในพจนานุกรมบาลีอังกฤษแสดงความหมายของธาตุไว้ดังนี้ 1. ปฐมาธาตุคือธาตุซึ่งมีอยู่ได้กันสี่อย่างคือดินน้ำไฟลม 2. ภาวะตามธรรมชาติคุณสมบัติอุปนิสัยปัจจัยหัวข้อหลักรูป 3. าธาตุเกี่ยวกับความรู้สึกเกี่ยวถึงอายตนะภายในและภายนอก 4. อารมณ์หรืออาการของกายและห ส่วนที่เหลือของร่างเมื่อเผาศพแล้ว